เทศวันที่16มีนาคม2507ณวัดป่า บ, บ้านตาดจังหวัดอุดรธานีพระพุทธเจ้าที่ส่งค้นหาสาเหตุ ความทุกข์ภายนอกความทุกข์ภายในความสุขภายนอกความสุขภายในกว่าจะเรียรู้สาเหตุอันแท้จริงอย่างแี่มแจ้งตรง คนถึงหกปีเรียกว่าเรียนจบทั้งทางโลกและทางธรรมท้ายเหตุแห่งความทุกข์ที่ทำให้โลกใจลกความเกือดล่อนดุ่งเดินก็ส่งค้นพบ ทุกที่ทำให้โลกได้เฉวยผลต่างๆกันก็สง่งผนทกสาเหตุแห่งความทุกข์ภายในใจที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายเยอนว่ายตายเกิดในวัรสงสารไม่มีจบขึ้นลงได้ ก็ส่งคนพบทุกที่อาศัยอยู่กับใจเพราะไม่สามารถจะรู้สาเหตุเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกและไม่สามารถจะแก้ได้สิ่งสาเหตุแห่งทุกนั้นจึงเป็นเหตุให้ทุกขึ่งเป็นตัวผลนอนเนื่องอยู่ภายใ น, ในใจิตใจ พระองค์ก็ทรงค้นพบและรู้โดยจบขึ้นไม่มีเหลื อ, ห, ลอหรอกภายในพระไยัยเมื่อทรงมีความรู้ความสมบูรณ์ทั้งเหตุและผลแห่งความทุกภายนอกความทุกภายใน จึเงเป็นผู้บริสุทธิ์ปรากฏเป็นศาสดาของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์แล้วก็ปรากฏเป็นศาสดาของโลกโดยสมบูรณ์ในอันดับสองเราทั้งหลายผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้า แง่จะเป็นการยากลำบากอรืบ้างในการพยายามแต่ก็มีช่องทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงที้เมนวไว้แล้วไม่ได้มีความทุกข์ลำบากหลายด้านหลายทางเหมือนอย่างพระพุทธเจ้า ผู้ไม่มีใครสั่งสอนโทงไว้แต่ต้นทางเงาทั้งหลายแม้จะเป็นความทุกข์อยู่บ้างในการประกอบตํมเพล่แต่ก็ยังมีผู้ที่ช่องแนวทางทางเดินคือแถวแห่งธรรมะทั้งทางผิดและถูกพระพุทธเจ้าก็ทรงชี้ไป ห, หมดแล้วนอกจาก จะพยายามละเว้นตามทางที่เป็นฝ่ายผิดเพื่อจะดำเนินตามทางถูกที่ทรงแนะแนวทางเอาไว้ทานั้นก็ไม่เห็นมีการลำบากมากเท่าเหมือนพระพุทธเจ้าอของเรา ถ้าจะเทียบอุปมามาภายนอกเช่นเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนในช่างผู้จะทำบ้านเรือนก็ได้เรียนวิชาช่างมาเย่ยงพอแล้วเรื่องอุปกรณ์ต่างๆก็มีอยู่โดยสมบูรณ์แล้ว ความยากในการปลูกบ้านปลูกเรือนก็เครื่องแต่เป็นวงแคบแคบเราจะหยิบยกเอาสิ่งนั้นมาประกอบสิ่งนี้ยกสิ่งนี้ไปประกอบส่วนนั้นหนักบ้างเบาบ้างในวงแห่งการงานเท่านั้นไม่จําเป็นจะต้องวิ่งเต็มขวันควายไปหาหลักวิชาหรือหา ตัวม้มาจากที่ไหนส่วนพระพุทธเจ้าของเราไม่เป็นเช่นนั้นไหนจะต้องหลักเรียนหลักวิชาและหลักวิชานั้นก็ไม่มีใครท่ามสอนพระพุทธเจ้าไว้ต้องพระพุทธเจ้าเป็นครูของพระองค์เสียเองทั้งหลักวิชาและการประกอบกว่าจะมาเป็นศาสดาของพวกเราก็เยียกว่า มีความทุกข์ยากำบากมากยิ่งกว่าเราที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยมีช่องทางอยู่แล้วนี้ธรรมะแปดมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ที่ทรงชี้ว้ทุกขกะทงล้วนแต่ เป็นธรรมะที่จะแสดงเพื่อแก้จุดบกพร่องของแต่ละบคุคคลซึ่งก็มีความบกพร่องอยู่ด้วยกันต่างกันอยู่บ้างก็เพียงมากกับน้อยเท่านั้นที่ทันตรัสไว้เป็นหลักอริยสัจ ประจำพระศาสนามีความย่อย่อว่าทุกหนึ่งส ม, มุทยัยมีโลดหนึ่งมัดหนึ่งมีทันย่นเข้ามาให้มีเพียงย่อๆย่อเท่านี้แต่เมื่อจะขายายหลักแห่งอเดียสัจธรรมทั้งสี่ ให้กว้างขวางตามความเป็นไปแห่งสภาวะทั้งหลายที่เกี่ยวกับอริยสัจสีนี้แล้วโลกกว้างขนาดไหนโลกมีกี่ทบเรื่องของอริยสัจจะทำทั้งสีน่นี้จะสะเทือนไปทั่วทั้งไตรโลกกะถา ไม่ว่าโลกกระท่าจะกว้างแคบขนาดไหนอายสัตว์จะมีความหมายไปเท่าเทียมกันกับโลกกระท่าที่มีความกว้างแคบขนาดนั้นนั้นเช่นยกทุกข์ขึ้นในเบื้องตน้นคำว่าทุก จะไม่อยู่ในสถานที่แห่งใดนอกจากจะอยู่ในสัตว์ตสังขารที่มีใจครองเท่านั้นดินฟ้าอากาศไม่เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกต้นไม้ภูเขาในน้ำบนบกไม่ใช่เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกทุกจะไม่อยู่ หรือทุกจะไม่ตั้งบ้านตั้งเดือนอยู่ตามสถานที่ที่กล่าวมาแล้วนี่เลยแต่จะมีอยู่กับสัตว์และสังขารที่มีใจครองเท่านั้นทีนี้คำว่าสัตว์และสังขารที่มีใจครองนั้นในตรายโลกธกาตุคือการมาพบหรือกามโลกรูปประโลกอรูปประโลก นี้จะเต็มไปด้วยสัตว์และสังขารที่มีใจครองทั้งนั้นการแตกต่างกันนั้นจะมีอยู่บ้างตามภูมิอำนาจวาสนาอุปนิสัยผลแห่งกรรมที่ทำไว้มากน้อยต่างกันเช่นมนุษย์โลกของเราเป็นโลกที่เกี่ยวกับ ด้านวัตถุแม้แต่สัตว์ก็ต้องมองเห็นกายกายหยากกายปานกลางกายละเอียดแต่ก็ยังรวมอยู่ในด้านวัตถุด้วยกันรูประโลกอรูประโลกไม่เกี่ยวกับด้านวัตถุแต่ก็เป็นพบของสัตว์ประเภทหนึ่ ง, งคำว่าสัตว์นี้หมายถึงความว่า เป็นผู้ยังคล่องอยู่ในโลกธาตุทั้งสามนี้เรียกว่าสัตว์แปลว่าผู้ยังคล่องอยู่นอกจากนั้นยังมีภูมิต่ํายิ่งกว่านี้ไปอีกท่านเรียกว่าพวกเปรตแลสุรกายสัตว์นรกนี่ก็ไม่เกี่ยวกับด้านวัตถุเหมือนกันที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ รวมเรียกว่าสัตว์แต่สังขารที่มีใจครองเมื่อสัตว์แต่สังขารอันเป็นภาชนะแห่งทุก์มีอยู่ในสถานที่ใดพบใดเรื่องของทุกข์ก็จะต้องมีอยู่ตามสัตว์แต่สังขารประเภทนั้นๆในภพนั้นๆ เพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์จึงเป็นธรรมชาติที่กว้างขวางมากมายนอกจากจะทุกข์ทางกายแล้วยังเป็นเหตุให้ทุกข์ทางใจมีทุกข์อยู่สองด้านมีกล่าวถึงเรื่องของทุกข์เรื่องของสมุทัยคือความบกพร่องในตัวเอง ไม่สามารถจะปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องได้กลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาในเรื่องความตุกเพราะฉะนั้นความบกพร่องของตนที่เกิดขึ้นจากความไม่ฉลาดในวิธีรักษาตนเองจึงเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาพูดอย่างง่าย ที่เห็นกันด้วยตาเนื้อเช่นดังคนเรามีรูปร่างกลางตัวและให้ชื่อว่าคนเหมือนกันแต่ความโง่ความฉลาดในอุบายวิธีที่จะปรับตรุงตนเองให้เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์ทุนจุกในครอบครัวไม่ขาดตกบกพร่องในสิ่งอาศัยที่จะเป็นไปในครอบครัวของตนแต่ละครอบครัวนั้น มีความโงค่ความฉลาดไม่สม่ำเสมอกันเพราะฉะนั้นเรื่องความทุกข์จึงมีช่องทางที่จะเกิดขึ้นได้เพราะเหตุแห่งความบกพร่องของแต่ละครอบครัวหรือของแต่แต่ละบุคคลรับสมบัติเงินทองข้าวของซึ่งเป็นเครื่องอาศัยแต่ละอัตภาพและหรือแต่ละครอบครัว นี่เป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์เราทุกๆรูปทุกๆนามจะต้องอาศัยแต่อุบายวิธีที่จะเสาะแสวงหาเพื่อสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ให้มีความสมบูรณ์ขึ้นในตนแต่ละบุคคลและครอบครัวนั้นย่อมไม่มีความฉลาดพอ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงเกิดขึ้นไม่ได้ตามใจหวังเมื่อสมบัติอันเป็นตัวผลเกิดขึ้นมาจากความฉลาดหรืออุบายวิธีของผู้แสวงหาไม่สมบูรณ์แล้วผู้นั้นและครอบครัวนั้นจึงเป็นเหตุให้บกพร่องในเครื่องชช้ไม้สอย อาหารการบริโภคสมบัติเงินทองเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่สมบูรณ์พอกับความต้องการขลองคาดขันที่เขาอาศัยเป็นประจำทุกวันแล้วเรื่องของทุกข์จึงปรากฏขึ้นในบุคคลและครอบครัวนั้ น, น, น เรื่องของทุกข์ที่ปรากฏขึ้นนี้เกิดขึ้นจากความบกพร่องในอุบายวิธีต่างๆของแต่ละบุคคลนี่ท่านเรียกว่าส้ำหมูทไทยเป็นเหตุที่จะให้ทุกข์เกิดขึ้นในครอบครัวได้ถ้าอุบายวิธีมีความฉลาดเพียงพอกําลังบางชาก็เกิดขึ้นจากความฉลาดแม้ตนทําไม่ได้ก็ต้องมีอุบายวิธียางใดย่างหนึง่ง ที่จะให้คนอื่นทำหน้าที่แทนเช่นลูกจ้างเป็นต้นมาทำหน้าที่แทนเราในครอบครัวหรือวงงานนั้นๆสิ่งทั้งหลายที่เกิดมีขึ้นก็เป็นไปได้โดยสมมุติเพราะอานาจแห่งความฉลาดอุบายวิธีที่เป็นไปด้วยความฉลาดนั้นท่านเรียกว่าแนวทางแห่งความเจริญของครอบครัวและบ้านเมืองนี่ทันดีกว่าม พาไม่ฉลาดรอบครอบในอุบายวิธีที่จะสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติมาไว้ในครอบครัวนั้นท่านเรียกว่าสมุทไทยคือแดนเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความบกพร่องอันเกี่ยวโยง ก, กันกับเรื่องความทุกข์จะเกิดขึ้นมีขึ้นเพราะเหตุแห่งความบกพร่องในสมบัตินั้นๆ น, น, นี่ท่านกล่าวถึงเรื่องสมุไทย มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้เมื่อสมุทรไทยมีช่องทางเกิดขึ้นได้ในรายใดในบุคคลใดในครอบครัวใดครอบครัวนั้นต้องได้รับความทุกข์ไม่มากก็น้อยตามแต่ช่องทางของความสมุทรไทยของสมุทรไทยจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะเหตุแห่งความโง่ความฉลาดของตน จะมีกาลังมากน้อยคำว่านิโรธนั้นได้จากความสงบเรียบร้อยในครอบครัวเมื่อพร้อมแล้วซึ่งอุบายวิธีที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติโดยถูกต้องครอบครัวนั้นๆก็มีความเยือกเก็น จะหยิบช่วยอันใดก็มีอยู่แล้วอย่างสมบูรถเ่าปลาอาหารเครื่องชช้ไม้ส้อยผ้านุง่งผ้าห่มจะเป็นเครื่องยนต์กลไกรถจักรยานสามล้ออะไรก็แล้วแต่ชื่อว่าเครื่องอาศัยแล้วเกิดขึ้นมาจากวิธีที่ฉลาดทางนั้นในครอบครัวนั่นก็มีความร่มเย็นเป็นสุข ทุกที่จะเกิดขึ้นเพราะความบกพร่องขาดเขินก็ไม่มีนี่ท่านก็เรียกว่านี่โลถะเป็นความดับทุกข์ได้ในครอบครัวไม่เดือดร้อนเหมือนครอบครัวอื่นที่เต็มไปด้วยความบกพร่องความไม่ฉลาดแต่ท่านผู้ ฟังทั้งหลายโดยมากเพียงได้ยินว่าทุกสมูทยนี้โลดมากเท่านั้นบางลายเป็นเหตุให้ท้อใจว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะไม่ว่าสถานที่หรือการใดจะต้องยกเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายไม่ปรารถนาขึ้นแสดงทางนั้น แล้วเป็นเหตุให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้มีความอับเฉาโศกเศร้ า, สสาภายใน จ, ใจิตใจเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องของทุกที่พระพุทธเจ้าแสดงนั่นแหละแต่แท้ที่จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่นี่เป็นความเข้าใจผิดของผู้ฟังต่งหาแต่เรื่องเรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องตามสวขาตธรรมที่พระองค์ท่านทรงรู้ทรงเห็น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 ตามที่อธิบายผ่านมาตะกินคำว่าทุกขไม่เพียงแต่ว่าทุกภายในใจเรื่องของกายก็ต้องเป็นทุกถึงเวลาหลับนอนไม่ได้นอนหลับนอนตามเวลาล่าเวลาก็ต้องเป็นทุกถึงเวลารับทานไม่ได้รับทานก็เป็นทุกหนาวไม่มีผ้าห่มก็เป็นทุกร้อนไม่มีน้ําอาบก็เป็นทุก สิ่งที่จะมาแก้ไขเรื่องทุกนี้ต้องขึ้นอยู่กับการแสดงหาของแต่ละบุคคลที่จะนำมาเยียวยาแก้ไขทุกข์ที่มีอยู่ในส่วนแห่งร่างกายให้ได้บรรเทาหรือหายไปเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าชี้เรื่องของทุกข์ให้เราทั้งหลายได้ทราบนั้นก็คือว่าชี้เรื่องของผลว่าความทุกข์ เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายไม่ปรารถนาเช่นนี้แล้วก็ทรงชี้วิธีการและทรงชี้เหตุที่เกิดขึ้นแห่งทุกนี้ให้ฟังก่อนเช่นครอบครัวไหนมีความทุกข์จนคนแขนหาเช้ากินเย็นก็ไม่ พ, พอปากพอท้องนี่เป็นเพราะเหตุไหนก็ต้องเป็นเพราะความเกียดค้าน ความไม่เอาใจใส่ในกิจการงานหน้าที่ของตนที่จะเป็นที่ไหลมาแห่งโทรศัพท์และเป็นเพราะความโง่เขลาของตนเองไม่มีความฉลาดในอุบายวิธีที่จะเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติมาให้เป็นความสมบูรณ์ในครอบครัวเช่นอย่างบ้านเมืองของเขาที่มีความสมบูรณ์ด้วยความขยันหมั่นเพียรและความแฉะนั่ต้องชี้จุดนี้ เมื่นทุกปรากฏเป็นผลขึ้นมาก็ต้องคิดถึงเรื่องของเหตุว่าทุกต้องมีสาเหตุเป็นที่เกิดขึ้นมาเช่นเกิดขึ้นมาเพราะความเกียดทางสมบัติไม่มีตัวเองก็ต้องเป็นทุกข์แล้วทรงคิดถึงเรื่องของความสุขเช่นความสุขในครอบครัวนี่ซึ่งเป็นตัวผล ความสุขนี้ก็ต้องมีสาเหตุเป็นที่เกิดขึ้นคือเกิดขึ้นจากความฉลาดและความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่จิตการหนักเบาเอาก็สู่ไม่ลดละในหน้าที่การงานที่จะเป็นที่ไหลมาแห่งผูกทรัพย์นี่เรื่องอริยสัจจะต้องชี้ตามจุดแห่งความบกพร่องอันเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์และชี้ตามจุดคือความสุขอันจะเป็น และชี้ตามสาเหตุแห่งความสุขที่จะให้เป็นไปเพื่อความสุขในครอบครัวหนึ่งเมื่อสรุปความแล้วเรียกว่าธรรมะบทใดาบาทใดที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ลงและแนะนำสั่งสอนบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายก็เพื่อให้รู้จุดบกพร่องของตนเองแล้วจะได้พยายามแก้ไข ที่บกพร่องนั้นให้กลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาโดยวิธีอุบายต่างๆสุขก็จะป ร, รปรากฏขึ้นมาเป็นนำ้ำหนักเรื่องความทุกข์ที่เคยเดือดร้อนวุ่นวายมาแต่ก่อนในครอบครัวนั้นๆก็จะค่อยจิดจางและหายไปด้วยอำนาจแห่งมรรคปฏิบปทาคือวิธีการนำเนินขวันขวายหาสึ่งทรัพสมบัติเพราะฉะนั้นคาว่าอาริยสัจจะทำทั้งสี่ี จึงเป็นธรรมที่กว้างขวางมากมายถูกทุกจริตจิตใจของบรรดาสัตว์และถูกตามจุดที่มีอยู่ในสัตว์และสังขารด่วยคำว่าอายาัตว์ไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าจะสอนคนให้พ้นจากทุกไปนิพพานเสียทีเดียวผู้บกพร่องอยู่ในจุดใดผู้อยู่ในฐานะใดภูมิใด บกพร่องอยู่ในจุดใดก็ทรงสั่งสอนเพื่อจะแก้ไขในปมแห่งความบกพร่องนั้นๆให้เป็นความสุขอันสมบูรณ์ขึ้นมาตามกำลังความสามารถของผู้นั้นที่จะแก้ไขตนได้เช่นผู้อยู่ในครอบครัวก็สอนให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานอย่าเห็นความหนาวความร้อนความขี้เกียจที่คลานเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติ อันเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนตนให้มีความสุขและสมบัตินั้นจะเกิดขึ้นมาได้โดยวิธีใดกใ็พยายามปรับปรุงวิธีนั้นให้มีขึ้นดังนี้เป็นตน้นแล้นอกจากจะสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงาน เพื่อหาหลายได้แล้วยังต้องสอนวิธีที่จะเก็บรักษาและการใช้สอยต่างๆว่าให้มีมัตตันดุตาสทาสาธุคือถ้าความรู้จักประมาณมีอยู่ในสถานที่ใดบุคคลใดสถานที่นั้นบุคคล น, นั้นจะเป็นผู้มีความเจริ สมมุติว่าสมบัติมีอยู่ในเราเราเป็นผู้วิ่งเต็นขวนขวายหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรแต่เราขาดความรู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้ทรัพย์มั่นเสียอันนี้ก็เป็นเหตุที่ให้เกิดขึ้นซึ่งความขาดแคลนและความทุกข์ได้อีกเหมือนกันเพราะการใช้จ่ายของเราบุกองในวิธีเก็บรักษาไม่รู้จักประมาณเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาแล้ว เราก็ต้องใช้มัตตันยุตาเข้าเป็นธรรมรักษาให้มีความแน่นหนามั่นคงกว่าสถานที่ที่เราเก็บรักษาเสีย อ, อีกเช่นตู้หรือหีบเป็นต้นซึ่งเราเคยเก็บรักษาทรับไว้เราจะเก็บไว้ในตู้ใดหีบใดหรือเรียวกว่ากำปั่นเลไร ก, ก็ตา แต่ถ้าความไม่รู้จักประมาณไม่มีความไม่รู้จักประมาณได้เข้าแทรกสิงขังใจแล้วธรรมชาตินี้แหลจะเป็นเครื่องสังหารทรัพย์สมบัติและสังหารกำปั่นใหญ่ๆที่เต็มไปด้วยเงินนั้นให้เสื่อมชุนแตละฐานหายไปไม่กี่ในไม่กี่วันก็ได้เพราะฉะนั้นคำมัมมัตันยุตานั้น จึงเป็นธรรมจำเป็นและมีความมั่นคงหนาแน่นยิ่งกว่ากําปั่นนั้นจะอยู่เราจะเก็บไว้ที่ไหนก็พอได้ถ้ามีมัตตันวิตาเข้าสนับสนุนวันนี้เราหาเงินวันหนึ่งหนึ่งเราหาเงินได้เท่าไหร่แล้วการจับจ่ายใช้ทรัพย์เหล่านั้นเราจะใช้ประมาณเท่าไหร่ จึงจะพอดีกับความจำเป็นและครอบครัวของเราถ้าเราใช้รู้จักประมาณทรัพสมบัติซึ่งเป็นส่วนเก็บไว้ก็มีที่เราจ่ายออกไปก็นำมาทำประโยชน์สำหรับเราเราก็ได้รับความสุขทั้งส่วนที่ได้จ่ายไปและได้รับความอุ่นอกอุ่นใจทั้งสมบัติที่เราเก็บไว้เรียกว่าไม่เสียทั้งสองถางนี่เพราะอำนาจแห่งมัตตันยูตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณเก็บทรัพย์รักษาทรัพย์ไม่เก็บไว้จนตัวเองเกิดความฝุดเครื่องและเกิดความทุกข์และไม่ใช้เกินไปจนไม่มีอะไรเหลือภายในกระเป๋จะ ก, กลายเป็นความเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่ทันียกว่าอารักษสัมปทาเป็นผู้มีความสมบูรณ์และรอบครอบในการเก็บรักษา วิธีการที่อธิบายมาคือการเก็บรักษานี้ก็เป็นอุบายวิธีอันหนึ่งที่จะทำสมบัติของเราให้มั่นคงและจะทำเราให้มีความร่มเย็นแต่ถ้าทำแบบกรงกันข้ามแล้วสมบัติเสียไปวันนั้นเล็กวันนั้นน้อยไม่สู้เท่าไหร่ แต่หลักนิสัยที่เคยเป็นคนนักจับจ่ายสลูดสล่ายนั่นแหละเป็นหลักสําคัญเป็นสิ่งที่จะสังหารโภคทรัพย์ทั้งหลายแม้จะมีมากยิ่งกว่าที่เราเคยได้ก็ตามก็จะเสื่อมสูนอันตราฐานไปไม่กี่วันเพราะนิสัยสลูดสลายนี้เป็นเพชรขาตสําสคัญสําหรับจะสังหารทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของทั้งไกลทั้งไกลทั้งมากและน้อย ให้คิดหายไปได้ในไม่กี่วันดังนั้นการรักษาหลักใจให้มีความคงที่ต่อตัวเองเพื่อการเก็บรักษาหรือเพื่อการจับจ่ายใช้ทรัพย์ของตนเองนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งกว่าสมบัติที่ตนหามาได้เมื่อเราได้ปฏิบัติตามวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เช่นนี้แล้ว เรื่องทุกข์เราก็แก้ไขไปได้ในครอบครัวสมุทัยสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งทุกข์เพราะความขาดแคลนก็ไม่มีเพราะเรื่องของมรรคคือปฏิปทาอุบายวิธีแสวงหาทรัพย์เรามีพร้อมอยู่แล้วในดวงใจของเราคามอณิโลทะคือความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวก็มีนี่เป็นเอเยนต์ประเภทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนบุคคลที่มีครอบครัวเย่าเหือน ให้เป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขตามฐานะของตนของตนส่วนอริยสัตว์ประเภทหนึง่งในแก่ทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคซึ่งมีอยู่เกี่ยวมีอยู่กับใจโดยเฉพาะนั้นยังมีอีกทางทุกข์ที่เป็นขึ้นกับใจเพราะอำนาจของกิเลสเครื่องลุมล้อมอจิตใจ เช่นเดียวกับไฟแล้วหาวิธีอุบายแก้ไขตนเองเช่นเดียวกับผู้หาวิธีอุบายแก้ไขเรื่องของทุกข์ในครอบครัวแต่อุบายวิธีแก้ทุกข์ภายในจิตใจโดยเฉพาะนี้เกี่ยวกับเรื่องการบําเพ็ญธรรมเช่นเราทั้งหลาย ที่มาอบลมหน้าบัดนี้ชื่อว่าจะเป็นอุบายวิธีเพื่อการระ ง, งับกับทุกข์ภายในใจให้หมดไปเพราะอำนาจแห่งการอบลมจิตใจให้เป็นไปเพว่ความสงบเยือกเย็นเห็นความสุขประจักษ์ใจขึ้นมา อุบายวิธีที่จะทำใจให้มีความสงบเพื่องับทุกภายในใจนี้สรุปความย่อๆในแกการภาวนาตามที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วคือพยายามสอดส่องมองดูจิตใจของตนที่เต็มไปด้วยความคิดความปรุงโดยมากก็ปรุงไปในทางที่ชั่ว บุงบายทางที่จะสั่งสมความทุกข์ขึ้นมาภายในใจเราพยายามสอดสองจิตใจชนิดนั้นโดยด้วยสติและผูกมัดด้วยคำบริกรรมจะเป็นลมหายใจหรือบทธรรมมีพุทโธเป็นต้นก็าตามนี่เป็นอุบายวิธีผูกมัดจิตใจของตนผู้จะเสาะแสวงหาเรื่องของทุกข์มาเผาหลุนตนเองด้วยบทธรรม และด้วยสติใจเมื่อมีเครื่องผูกมัดมีเครื่องกํากับรักษาจะเป็นไปเพื่อถูกทางไม่สอดแสวงหาความรุ่มร้อนมาใส่ตัวเองเมื่อถูกทางแล้วผลคือความสุขจะเริ่มปรากฏขึ้นมาภายในใจไม่ว่าใจผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าใจนักบวชคารวา่าเมื่อดำเนินถูกทางตามที่ได้อธิบายมาแล้วนี้ผลจะพึงปรากฏนั้นคือความสุข เริ่มแต่วความสุขเบื้องต้นหรือความสุขขั้นต่ำจนกระทั่งถึงความสุขอันสูงสุดเรียกว่าเป็นมิมุต้นจากเรื่องความทุกข์ใดๆทั้งนั้นจะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของท่านนักปฏิบัติด้วยกันทุกทุกเพศทุกทุ ก, ท ก, ท ก, ทกวัยจิตที่ยังไม่ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาเนื่องจากกิต ทำธุระการงานเช่นเดียวกับคนที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาพักผ่อนผู้นั้นต้องเลยรับความทุกข์เรื่องของใจที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องกา ร, รปารุงการคิดเรื่องอดีตอนาคตดีชั่วทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภาระของใจที่จะต้องรับผิดชอบ ดังนั้นเรื่องความทุกข์จึงเป็นไปภายในใจแทบจะพูดได้ว่าเนืองนิดก็ได้เพราะงานของใจมีเนืองนิดผลที่จะปรากฏขึ้นมาคือความทุกข์ก็ต้องเป็นไปในทํานองเนืองนิดเช่นเดียวกันดังนั้นอุบายวิธีที่เราจะทำใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสงบนี้ก็คือเพื่อปล่อยวางภุรณา ท, ที่ตนเคยคิดเคยปุ่มอันเป็นภาระนันนันเสียชั่วระยะกา เพื่อให้จิตได้ทรงตัวอยู่โดยเอก ก, กิจเอ ก, กธรรมไม่เกี่ยวกับตุละหนาที่แล้วความสงบสุขหรือความเยอเือกเยน็นภายในใจจะปรากฏขึ้นมาในใจดวงนั้นอุบายวิธีที่จะทำใจสงบให้สงบทุกๆวิธีนี้ท่านเรียกว่ามะคือทางดำเนินหรือวิธีการทำ สมุทัยคือการสั่งสมโดยวิธีคิดต่างๆนั้นจะระงับลงไปนิโรธะจะค่อยมีความเยือบเย็นขึ้น่ายในใจเพราะทุกอังเกิดขึ้นจากความฟุ้งเฟ้อนั้นได้ดับศูนไปในขณะที่จิตได้รับความสงบเมื่อจิต ได้ปล่อยวางทุลนาทีเหลือแต่ความรู้อันเดียวนั้นใครจะไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจาวว้าก็ตามเอาพูดอย่างแบบโลกโลกหรือแบบเราเานี่ประหนึ่งว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าในขณะที่จิตมีความสงบนั้นใครจะไม่เคยเห็นหน้าพระธรรมว่าเป็นหน้าชนิดใดก็จะไดตากฏขึ้นในขณะที่ใจของเราได้รับความ สงบนะสังฆนะพระสง์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นรูปพันธสันตานอย่างไรก็จะมาปรากฏองค์ของท่านขึ้นในขณะที่จิตสงบนั้นด้วยกันทั้งสามรัตนะฉะนั้นท่านกึงกล่าวเป็นธรรมรับรองไว้ว่าโยธรรมังปสติโสมังปสตินามะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นดาวตถาคตเพราะฉะนั้น จึงควรจะกล่าวได้อย่างใกล้คิดติดกับใจของเราทีเดียวว่ า, าพระพเุทธเจ้าคือดวงจิตที่บริสุทธิ์พระธรรมคือธรรมชาติที่อัศจรรย์เกิดขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์ดวงเดียวนั้นพระสงค์คือเจ้าของแห่งความบริสุทธิ์และพระธรรมอัอัศจรรย์นั้นแม้เราจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ตาม ยังได้ก้าวเข้าสู่กระแสแห่งความสงบนั้นเลียกว่าเราได้เข้าพึ่งชายคาหรือร่มเงาแห่งพระพุทธเจ้าโดยปริยายแล้วยิ่งทาใจให้มีความสงบเยือกเย็นมากเท่าเท่าไรเราก็ค้ากันกับว่าเราได้มองเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งกระรมและประสงค์ กใกล้คิดภายในใจของเรายิงใจได้ถอดถอนภาละเครื่องกดท่วงจิตใจออกได้โดยวิธีปฏิบัติออกให้มากเท่าไหร่ ยิ่งจะทรงอำนาจวาสนาเห็นธรรมชาติคือใจนั้นว่าเป็นของมีคุณค่าขึ้นภายในตัวของเราเและจะรู้ว่าจุดแห่งความสุขความเจริญนั้นได้จะจุดแห่งใจที่ทรงไว้ซึ่งความสงบเยือกินดวงนี้ มีเรื่องของความมีคุณค่าของใจจะเริ่มปรากฏขึ้นมาในท่านผู้ปฏิบัติแต่ละท่านแต่ละท่านโดยลำดับไปเช่นนี้จนถึงขั้นมีคุณค่ายิ่งหาอันไรเทียบไม่ได้ในไตรโลกธาตุนี้เมื่อกิเลสได้สิ้นศูนย์ไปจากจิตใจทรงไว้ซึ่งลิมุตพุโทโธภายในใจดวงนั้นแล้วผู้นั้นแหละเป็นผู้มีคุณค่าเหนือไตรโลกธาตุ และเหนือสมบัติใดๆที่มีอยู่ในใจโลกในตจโลกธาตุนี้ด้วยจะไม่มีสมบัติใดยๆยิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นแล้วจากเครื่องกดท่วงทั้งหลายทรงไว้ซึ่งนิธาสตานุภาพภายในตัวเองและทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงภายในใจนั่นและท่านเรียกว่าแก้วมหาสมบัติหรือแก้วสรพั์ มหาสมบัติไม่มีสมบัติใดๆที่จะเทียบเท่ากับจิตที่บริสุทธิ์พุโทโธโดยสิ้นเชิงภายในใจตัวเอง น, น, นี่คำว่านิโรธะคือความดับสนิทแห่งทุกข์นั้นเราจะไม่ต้องไปถามหาที่ตงไหนแม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนอยู่ก็าตามเราจะไม่มีความจำเป็นอันใด โดยถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดราของเราแล้วเราจะต้องไปพูนถามท่านให้ท่านตัดสินให้เช่นนี้จะไม่มีในคณะกิจของในคณะกิจของท่านผู้ที่หลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงนั่นเลยเพราะเหตุใดเพราะว่าสันติโกพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ให้เป็นสมบัติของแต่ละท่านสำหรับผู้ดำเนินตามทางพระพุทธเจ้าจะต้องเห็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าอาการนิโก ถ้าทมเป็นของมีอยู่กับส่วนหนึ่งผู้ปฏิบัติของคุณ น, นัเอหิปติโกแสดงอยู่ตลอดเวลาภายในใจดวงปัจจตังเมดิตบโบมิยุขคำว่าท่านผู้รู้นั้นจะไปรู้ที่ไหนนอกจากจะรู้ภายในตัวเองแล้วจะไปถามพระพธิเจ้าที่ไหน พราะคำว่าสันติโกเป็นธรรมที่สมบูรณ์และภายในผู้ปฏิบัติที่ได้รู้แจ้งอย่างชัดผู้นั้ น, น, นเรื่องของทุกข์ส ม, มุทัยนิโรธนั้นก็เป็นอันมากท่านผู้นั้นได้เรียนจบตลอดไม่มีอันใดตกค้างอยู่ทุกข์ก็เรียนรู้ทั้งเรื่องของทุกข์ด้วย ทั้งสมุฐานเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ก็ถอดถอนได้ด้วยอำนาจของมรรคคือสีนสมาธิปัญญานิโรธะันเป็นเครื่องสัน้นมันเป็นธรรมเครื่องสนองมรรคปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ดำเนินโดยสมบูรณ์แล้วก็จะปรากฏขึ้นภายในใจตรงนั้นนี่เรียกว่าเป็นผู้เรียนจบอริยสัจสีโดยสมบูรณ์ภายในใจ รายเป็นคนพิเศษขึ้นมาในโลกที่เต็มไปด้วยความรุ่มร้อนอันนี้ข้าขอให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายตงพยายามบำเพ็ญตามหลักอริยสัจของพระพุทธเจ้าตามฐานะและกําลังความสามารถของเราจะเป็นอริยสัจใดก็ตกามคืออริยสัจ มีตามฐานะของรอริยสัจในครอบครัวก็มอริยสัจของนักปวดของนักปฏิบัติก็เรียกว่านักอริยสัจส่วนต่ําก็มีส่วนสูงก็หาได้ในบุคคลผู้เดียวเราจะอยู่ในครอบครัวแต่เราจะปฏิบัติทั้งอริยสัจในครอบครัวจะปฏิบัติทั้งอริยสัจเพื่อความดุดพ้นก็ได้อยู่ในตัวของเราโดยไม่ต้องไปหาหยิบยืมเพศหยิบ ยืมภูมิธรรมยุข้อปฏิบัติมาจากท่านผู้ใดจะประดิษฐ์คิดขึ้นได้ปฏิบัติได้ภายในตัวของเราทุกท่านผลอันเป็นที่พึงพอใจจะเป็นเครื่องสนองตอบแทนเราเป็นลำดับลาดับขอแต่การดำเนินของเราให้เป็นไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงทิไว้เท่านั้นฉะนั้นในอวสานแห่งธรรมเทศนานี้ขอขออานาจ แห่งคุณกระสีะรษะนทรตรคือพระพุทธเจ้ากระทำประสงค์จงดลบันดาลให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายได้สมความมุ่งหวางปาตนนาโดยทุนากันเทอ